เป็นครูบาจารย์ชั้นเลิศเลยเรื่องสติปัญญานี้ไม่มีใครสู้เลยเนะต็มภูมิตรงท่านแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะโจนโจนจนมากมากเลยอาหารการกินอัตาคาตขาดแคลนเลยตอได้ท่านมุ่งเจริญปัญญามากนะท่านทิ้งอันอื่นไปพวกเรามีโอกาสากทำก็ทำ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 นะผมมีรแรงดึงดูดไหมระหว่างเซลล์ในเส้นผมมันก็มีใช่ไหมนะมีความเคลื่อนไหวภายในไหมมีถามว่าในก้อนอิฐก้อนหินมีความเคลื่อนไหวไหมมีนะพระวงแรกที่พูดให้หลวงพ่อฟังเรื่องนี้นะคือหลวงปู่ดูลวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะั้นท่านก็ชี้ลงไปที่กระเบื้องปูกุติท่านนี่แหละบอกว่าสิ่งทั้งหลายนะ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 นั่นเรค่อยรู้สึกนะรู้ลงมาค่อยดูร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เรารดูไปเรื่อยนะดูไปความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขุสุนนะกุศลก็ไม่มีเราดูไปเรื่อยเป็นแค่ความรู้สึกออกจา8แปดโมงแล้วเทศเลิศเทศอย่างมีความสุขมีความร่าเริงใจเทศธรรมะที่มันยากๆหน่อยใหยกับที่กับเราเลี่ย ให้หลวงพ่อเทศทุกวีทุกวันเหมือนเดิมทุกวันแล้วก็เสง่งแต่ก็ต้องเทศตามหน้าที่ของพระนะพระพุทธเจ้ามอบหมายให้เทศเราก็ต้องเทศแหลนะท่านมอบหมายไว้นานแล้วนะเพราะหน้าที่ของพระหน้าที่ภาวนานะแล้วก็ประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในท้ำกลางในที่สุดงดงามในเบื้องต้นนะันก็คือเป็นธรรมะที่สมเหตุสมผลนะ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 โลกุตตะละตัวนก็คือตรงที่มากเกิดนะมักขยานโลกุตตระวิบากเป็นผลญานนะยังมีโลกุตตะลที่พ้นจากกุศลและวิบากอีกอย่างหนึ่งนะคือนิพพานนั้นะโลกุตตะยังมีตั้งหลายแบบเนะีนะ่ยเอาแค่นี้ก่อนนะเรียนเรื่องถึงโลกุตตะก็ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วล่นะนะ่าเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์